ศาสนาพูทเราเป็นธรรมลดค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพูดเราไน้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเอง ครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้วชาวพูดนี่แหละจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวในนี้สำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติ ต่อหลักทมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สือว่ามีน้อยมากเกี่ยวแทบจะไม่ปรากฏแต่คำพูดติดปากนั้นว่าถือาศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้ นี่เป็นพื้นของจิตที่ชุนลากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามก็เป็นชาวพุทธแล้วบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมือง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 เราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้วางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้วางใจกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำลายความไว้วางใจกันมันตังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออก อยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอจะแสดงออกทั้งที่แจ้งและที่รับการงานจริงไม่ว่าส่วนใจส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกโสมโอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธจะพึงทำอย่างนั้นได้ แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่งนั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิิยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันไปนหมดและรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกัน้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพเดียว เรามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเหล่านั้นไกลกันมากเหมือนกับอลุ่คนละโลกแม้แต่ทางานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทําลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้เมืเป็นเช่นนั้นธรรมจะเจดิไ น, เ น, นได้อย่างไรศาสนาจะริยนในหัวใจคุณได้อย่างไร ก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตวโลกมานานแล้วนั่นแหละทำให้สัตว์โลกได้รับความรู้ความเบือดร้อนความรุ่มรมคิดหายไปเป็นลำดับลำดาแล้วไม่มีความเข็ดหลาบกันเลยทั้งทั้งที่สิ่งที่จะทำให้เข็ดหลาบความรู้ที่จะทำให้เข็ดหลาบมีอยู่เช่นศาสนาธรรม ถ้านำเข้าไปปฏิบัตินำเข้าไปพินิษฐ์พิแกนนาเทียบเคียงในทางคุณและโทษแล้วจะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี้ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายนี้เมื่อย่นเข้ามาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้ว มันก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าหยาบและเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเคลือบแฝงอยู่ทุกๆุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดง ออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความผิดเพราะเป็นความเคยจิงของสิ่ง น, นั้นเป็นทางเดินอันราบลื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนใช้ยบกว่าทุกขนาจกิจก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสังเกตมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาชะวะมีแต่ทางควานขวายมีแต่ทางกาโกลย ของกิเลอาสวะเพื่อนำทุกมาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินีพิแกน่าใช้ความอุตสาหพยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดดาไม่เช้มนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบปรื่อซึ่งแสดงตัว อยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลาเริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตะภาวนาส่วนห ย, ยาบๆก่อนนั้นเราก็ไม่ต้องพูดส่วนหลักวินยัยนี้เป็นส่วนหยากหลักธรรมนี้สำคัญขณะปฏิบัติเริ่มในขั้นเริ่มแรก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 สิ่งที่จัดเจนบนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันเหลือกำลังที่เราจัดต่อสู้ต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขณะเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองหรอเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้น มันเตะกลิ้งไปเรื่อยพยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นท่าสึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียวทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยังกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นกายเป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายขึ้นเป็นฝ่ายของกิเลส ถ้ากรอบกลยวผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันได้ไง่ายๆไหนนี้หน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบนัด้วยบทตรธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอนจากบทตรธรรมบุตจากธรรมบุตรนั้นออกไปด้วยอํานาจของกิเลสฉุดลากไปจนได้เนี่ย นี่ในคิดย้อนหลังภาพปฏิบัติเบื้องต้นคิดอยู่ดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มีแต่จึกยังไม่แสดงลวดลายให้เห็นอย่างชาัดเจนและรวดเร็วเหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียว แสดงอาการกำเริบรักก็ง่ายเกลียดก็ง่ายชุนเฉียวก็ง่า ย, ย, ายอะไรๆรเร็วไปหมดถึงกับต้องงงในตัวเองเห็นแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏเป็นเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติ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 พยานจึงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู้กันให้หนักหน่วงมันไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่นี่เวลากิจมันไม่สงบเป็นเช่นนั้น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 ลุกได้แต่ชั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยพิ้งไปเลยมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายในใจแล้วก็พ้นเงื้อมือแห่งความภาคเพียนเหล่านี้ไปแลได้ จิตที่เคยคลึกขนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลยก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียนบึกเบิตันได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจ เรียกว่าใจได้เรือนอยู่แล้วพอถอยออกมาจากความสงบความเอิอบ อ, อิ่มของเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกระยินอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดาใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเหว้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเรือนอยู่เรือนพักของตัวเองยอมมีความนุ่มเย็นเป็นจุ นี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี้แลเป็นเดือนอยู่ของใจใจไม่ยิ้นโดนกวดแต่งเดินหาที่จอดที่แวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเ อ, อิบอิ่มภายในใจไม่หิวไม่กระหาย ไม่คว้านุ่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมานี่คือผลแห่งการปฏิบัติมาจากความร่มรูปคุกคอาลกลายเป็นความตั้งตัวได้ในรั้นนี้เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเขาโดยลำดับลำดาคคำว่าความสงบนั้นไม่ได้ อยู่คงที่ดังที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกย่อมจะเรียนตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปจากความเพียรเป็นเพื่องหนุนสงบลงจนแน่วแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจใจจะสงบอารมณ์ก็าตาม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 หนึ่งว่าหินทั้งก้อนมันแน่น่นั่นเยนี่คือพื้นฐานขางความสงบของใจมีเยาว์ใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีทำเป็นเครื่องอยู่คือสมถะสมถะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาพอเริ่มเห็นความ แปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วกอกแวกค่อนแขนใจทรงตัวอยู่ด้วยความจำเส ม, สมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบ ป, ประเภทนี้ อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบปวนจิตนั่นเองไม่ออกกวาดหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีทำเป็นธรรมารดความล้มลุกกาลานก็ค่อยจางไปจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวลามเวลา ในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทางนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบและมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเพีเ้ยไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญา ทีนพิจารณาให้เกิดความแย่ขะแยบายและเป็นความถูกอันละเอียดก่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลําดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญาเห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องติดพันกันอยู่กับนี้ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยเพราะออกจิตออกคิดทางด้านปัญญาเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องของการทํางาน ก็เกิดความลำคาญใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตากแดดตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วแล้ว ก, กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเสียงานก็ไม่ได้อะไรนี่ผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน สมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมากเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจโดยรับความสงบในขณะพรมาลงสู่ความสงบและถอนและถอนขึ้นมาแล้ว พิจารณาแยกแยะทางท่าทางขันภายนอกภายในได้ทั้งนั้นเนื้นอย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาจึงไม่อยากคิดด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณาบังคับไม่ให้หนีไปจากงานที่ทำนั้น เห็นแยกแยะดูท่าดูขันสิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภ า, ายในอวัยวะนี้จะแยกให้เห็นตามความจริงจึงต้องได้ใช้สติบังคับปัญญาให้รองไปตามพินิจพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลหลไปที่ไหน ในขณะเดียวกันกิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยู่แล้วเมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้นกิจจิงไม่อยากทำงานในการค้นคิดพอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แล้ว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 ถึงก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นจะสบายเย็ น, นจะกล้าเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงไหนด้่ยเหตุ น, นี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจรึงต้องใช้การบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเป็นตะขันทั้งมวลเป็นสัตจธรรมคือของจริง อันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการที่จะนาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานมีภายในจิตใจแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งก็รูปประขันจึงต้องได้พิจารณารูปประขันอันเป็นสิ่งสาคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับ ความรักสวยรักหามขี่คายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงในยอมให้กิเลสมันกล่อมเสอสันปั้นยอของปลอมขึ้นมากล่อมสันโลกให้หลงตามกันไปหมดไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเสกสันปั้นยอขึ้นมาเป็นความจริง อย่างหนึ่นตงตานที่เด็กว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ดังท้าวรอนเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่ฝังลึกการพิจารณาปัญญากรเพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำปลอมนี้ขึ้นมาโดยลำดับด้วยการพิจารณาแยกขายในร่างกาย น, นี้ ยิ้มีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็าตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจรารณาแล้วจะซึมราบไปหมดเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดถึงเรื่องอาสุภา้าอาสุผัง ความแตกสลายทําลายความปฏิกูลโศกโคโคแล้วก็ร่างกายมนุษย์เ่านี้เป็นที่หนึ่งในร่างกายมนุษย์คือไข่มนุษย์าะร่างกายของเรานี้เป็นที่หนึ่งของไครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบทั้งทั้งที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไร เตมอยู่ในนั้นหนันบงบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เคลิมหลับไปตามแลวเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่ละ่ะอุบายของกิเลสมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อถ้าไม่เอาปัญญาเขาไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันเป็ดอยู่นั่นตลอด จึงต้องใช้ปัญญาที่แกาเข้าไปให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่จิเลศได้ศึกษาปัญญอมาทั้งมวลเป็นเรื่องจำปอมทั้งนั้นแต่ทำมีสติทำปัญญาทาเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหนจะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกำลังของสติปัญญา และจะเป็นของจริงเป็นเม็ดเต็นหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยหินจอมปลอมทั้งหลายเขาจะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทำไม่ได้และการพิจารณาก็ไม่ต้องคาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้น แต่พิจนาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจณานันหรือในวงงานนั้นพิจนาให้ชัดเจนยาเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลสาหล่าไปข้างนอกนอกจากหลักปัจจรรุรันมันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหกักต้องห้ามอดยอมอดยอมทนกัน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 พิจารณาภายนอกเช่นรูปประขันนี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นแหละเพื่อจะได้นิมิตอันไม่พึงปราถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันของเหล่านี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิน่งเหมือนกันเสมอกันท่นานได้หลักได้เกณฑ์ เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกียร์แล้วภายนอกเขาปล่อยเองที่แรกก็นาภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกียร์เป็นคุยหมายป้าทางเส้ยกอดเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันของเราคือรูปปะขันนี่อุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ทันกลมมายาของพิเรศเมื่อไม่ได้แง่หนึง่งให้เอาแง่หนึง่ง ไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครสแสลมขมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรานำมาพิจรารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัตจธรรมซึ่งเป็นทางราบรื่นเป็นทางมากทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อฆาตศึกได้อย่างไงที่เละเป็นฆาตศึกทั้งมวลไม่แต่เป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแงใดก็าตามขึ้นคิอว่าที่เละแล้วจะเป็นแง่แห่งศัตรูทั้งนั้นสแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเรายังจะเสียดายเรายังจะเครือบเครื่อลงไหลกับมันอยู่ได้อย่างไรเราต้องใช้สติปัญญาต่อสู้ตั้งฐาน ควเพียรมีเท่าไรทุ่มลงไปสิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอานาจแห่งความเพียรให้เห็นประจัดเราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง <c oughs> ทําไมจะเพียรไม่ได้สติปัญญาช้ายอย่างอื่นเราก็เคยช้ามาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำน <c oughs> ดับเหตุใดนํามาใชาท้ทางด้านธรรมะแต่กิเลสปัญหาอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่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 ไม่มีอะไรทําให้ล่มจมให้เสียหายไม่เหมือนทุกข์เพราะอํานาจของยิ่งเดชปีดบับงคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็ยิ่งเดชไม่เคยให้ความสุขความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานเท่งนั้นหากจะมีบ้างก็หมาทรรมะเราจะตาเร่งกินมันก็เอาเครื่องล่อมากอกสนิดน่ะพอพื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษ ยัดลงไปใส่ลงไปให้ดิ้นดนกระวนกระวายอีกอยู่อย่างนี้ลุ้ยไปยิ่งไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเลสว่าจะพาวิเศษวิสโสไปที่ไหนอีกหากกิเลสพาวิเศษวิสโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งกิเลสทั้งมวลไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงจัดยืนสารมันก็ควรจะวิเศษประดิษตามกันหมดแล้วทำตัางหากพาให้ผู้ปฏิบัติ มิเสกวิโสพ้นจากทุกไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายามเราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามใยก็ตามไม่ได้เหมือนสงครามระหว่างอิเล็กกับธรรต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเช่นร่างกายก็เป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างของระหว่าง ที่เด็ดกับทำต่อสู้กันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมนานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปะอินหาละอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญาอย่าละนี่หลักอาวุธอันสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกาจัดจริงเลวร้ายทั้งหลายภาในใจ ให้หมดสิ้นไปเพราะอานาจของกติปัญญานี้เป็นสาคัญอยู่มากทีเดียวศรัท ธ, ธาความเพียรศรัท ธ, ธาความเชื่ อ, อเป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเรานี่นหะสำคัญเวลาใช้ <c oughs> ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ ทำจริงๆต่างๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้นการต่อสู้กิเลสทําเล่นไม่ได้นะอกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดมามาทําเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นๆอยบกินบ้างไม่กินบ้างนั่นน่ะเป็นการแพ้มันวันดังคําหาความชนะไม่ได้เลยจึงต้องเอากินออกจากตั้งแต่ ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นให้เห็นคุณค่าแห่งความ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเหนโทษของกิเ อาสวะทุกประเภทยอย่างถึงใจถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความที่เกียดที่คลานอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่ชื่อว่าเราชนะมันแล้วความที่เกียดความอิจฉาละอาใจ เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดชัดเพราะไม่มีความขี้เกียจนี่แต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะ ก, ก้าวขาออกทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นลงไปจะกาหนดภาวนาแต่ละบทลาบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะห นี่คือกี้เล็กมันทุบมันตีมันบีบบังคับไม่ให้ก้าวสู่ธรรมอันเป็นแดนที่จะสุดวิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยๆท่นี้พอเราต่อสู้มันต้อเริ่มต้นอย่างขั้นสมาธิก็ชนะความฟุง้งซ่านแบบโลกๆไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลาดับ ความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามปัญป ญ, ญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซุมยิ่งทราบยิ่งลึกซึง้งยิ่งละเอียดละอ้ออ้อยอิงเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลาดับตํานาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงเนีอสอนไว้เว่า กิเลสมันจะแทรกประเพ่อยู่ภายใน จ, ใจิตใจอย่างสังโยชน์ห้าเบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นนั่นแหละก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบนห้าท่านก็สอนไวใ้ให้รู้จักให้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อขีดมันเทินจนเกินตัวจะไม่พักเลยอย่างนี้ท่านก็สอนให้ย้อนเขาพักในสมาธิให้พอประมาณ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 อ่อนเพียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพียในการทํางานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทํำระงับหิดเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลให้อยู่แต่ความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันจะออกทํางานก็ให้ นำคำเมิกรรมบทใดบุญหนึ่งมาผูกมามัดมายืดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนั่นคือเวลาทําหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะก 9, ้าวไปน้นทั้งจะก้าวมาทางนี้นโหยู่ท่าก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พัก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 เวลาออกทํางานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธินะตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาอ่อนเพลียทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองย้อนขมาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่คดไม่โค้งตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบลื่นเป็นความสม่ําเสมอโดยลําดับตลาอันนี้ก็เถิด เรื่องความร้องรู้คูค่ขานั้นหายหน้าไปแล้วพิเคียร์คอยเตะคอยถีบแต่ก่อนพิเคียรตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วน่ะอย่าว่าไงความพุ่งสั้นทึ่งเคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ำไปไปได้แล้วความมืดมนอุตการภายในร่างกายว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้ว สิ่งจำปอมทั้งหลายเราเหล่านี้ที่กเิเลสสะสมเกศสรรเอาไว้ก็หมดไปหมดไ ป, หดไปเหลือแต่ความจรินร่วนถ้าจะพิดถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอรูปะก็กองอรูปะทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่เป็นของสวยของงามไม่แต่กองอรุภะทั้งนั้นเต็มตัวของของเราของใครก็ตามนี่ยีเห็นได้ชดัดถ้าจกพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุรูปะ หาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี่มันก็เป็นในนั้นแท้ๆอนิจจังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอยู่ตลอดเวลาทุกขังความบิดบังคับมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นอนัตตาอะไรเป็นเราอืมหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเอ็นกระดูกหรือเป็นเราอะไรอเรียว่าอาการสามที่สองหรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ําหรือเป็นเรา ไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไรไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไรไม่อายเห้อหน่ะพอปัญญาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้รู้ที่กิเ็กมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งนี้เป็นเราก็ปราบุมไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาลอกเราได้อย่างไง เดินก็รู้กันอยู่ชัดๆน้ํารู้กันอยู่ชัดๆลมรู้กันอยู่ชดัดๆไฟรู้อยู่ชัดนี่จะมาหลอกเราได้ยังไงเห็นเป็นอยู่รู้กันอยู่คือรู้ด้วยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทําลายความจอมปลอมนั้นออกทีนี้คำว่าหน้าตามันก็ชัดนะสินั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เราคืออะไรก็คืออนัตตานั่นแหละเนี่เห็นได้ชดัดเห็นได้ชดัดจิตก็ยิงมีความสงา่าถ้าเผอมีความองอาจคร้าหาญ ค้างตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้ล้างเอาไว้ที่นี่ความเพียรที่เราบอกความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทาจฉามันฟุ้งไปมากไปเราก็ยับยัง้งตามที่ได้อธิบายมาแล้วในการพักผ่อนทางสมาธิและการทํางานด้วยปัญญาให้พอบอกพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อให้เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่เข้าไปไปสู่ทาง ตาขายของมันคืออุท aj ความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากข้ามเอาไว้ในเวลาที่ควรพักเอาไว้รังเอาไว้เนี่ยที่เหลือตัวไหนแต่ก่อนมันซ่านไปหมดกี่เหลือเป็นเจ้าอำนาจ ค, ครองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพูนง่าย แล้วแตกกระจายลงไปด้วยความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานี่ยดังนั้นก็มีถึง เ, เรื่องของเวทนาสัญญาสังขารจิญยานนี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเ ล, เ ล, เลสกิเลสมาแทรกมาสิ่งที่ตามนีอ้อะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลงทางเวทนาเอาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระหว่างกายกับ เวทนาทุกเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่างอันต่างไม่รู้เรื่องต่าง อ, อันต่างไม่ทราบความหมายของกันและการแต่ว่าเขาเป็นมั่นเป็นนี่และเป็นของการละกันได้อย่างไงว่ากายเป็นทุกข์ทุกเป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างกิงไปจะมาผสมประเสริมาบวกกันทำใหม่ ปัญญามีแยกออกสิให้เห็นตามความจริงก็มีแต่ความสําคัญมันหมายที่ออกไปจากกิเลสนี้แหละว่าร่างกายเป็นทุกขมาทุกเป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกก็สักแต่ว่าทุกกายสัพตะวัตกายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัวมันแทรกสินทางสัญญาให้สําคัญมันหมายว่าเราทุกอย่างนั้นเราทุกอย่างนี้ต่างหากที่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยกสิ่งอย่านั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่ เป็นตัวการอันซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้ยังไงนั่นก็ต้องย้อนเข้ามารู้เมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั่นสิ่งนั้นเป็นนั่นแล้วใจก็ไม่ไปยึดใจก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้น่ะสังขารมรรญาณปรุงอะไรอะไรดีชั่วมันหนักเท่าไงเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทํำ คำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีดีนี้ไปอีกมีวาไงไรเพราะด้านท่านจึงละทั้งบุญทั้งบาปพระกีนาศกเรียกว่าปุญญปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันล้านเสียแล้วคือดีก็ละชั่วกว็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันสายดีฝ่ายชั่วเป็นของคู่เคียงกันไปแต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสองนี่ก็เราแยกพิจารณาเข้าไปเช่นนั้น ดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชาัดชาติประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นแหละลงได้อย่างถึงสิ่งความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้อย่างไงสารที่ที่โกเห็นในใจอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยเลยปล่อยเลยอืมนี่เลยไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทําลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสั้งยาวทั้งขานยิน ญ, ญาณขัน ตีต้อนเขาไปต้อนเขาไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของยิ่เละจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่ใจพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาก็รู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาเห็น การต่อสู้กับกิเลมันก็หมดความหมายไปเบชนะสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่งหมดความหมายไปอืมมันก็เหลือแต่ตัวรังใหญ่ของมันกษัตริย์วัตจักรที่กลมคืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนล้อหอกพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิตอ่าจะไปสงวนจิตรัรกจิตรัรกจิตกร็รัก ก, กิเลสรักวัตจักรวัตจิตนั่นแหละ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 ไปไหนที่มีกิตดับไหมนะก็มีธรรมะกิเลสเท่านั้นเองมันดับ น, นั่นมันปลอมมันดับไปได้ว่าไงถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหละแตกกระจายเหมือนะธรรมชาตินี้ทางทล า, ทายลงไปเนาะแลวจิตดวงนั้นกับจิตดวงก่อนดวงทั้งทั้งที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ร่มรูกคู่คราน มาเป็นลำดับลานาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสบายกับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะรู้ได้ชาติจิ ด, ดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกรรษัตริย์วัตจักร ลงจากหัวใจได้อย่างไรต้องฉลาดหนุนะ่มจอมกษัตริย์วัตจักรหนุ่มที่เดียวไปจอมฉลาดน่ะความทุกข์ทั้งมองวลที่นี่ที่เราต่อสู้ีิเลนนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ีิเดนไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหน ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ตั้งมวนก็คือความเมตติสของจ่ายเป็นอิสระเต็มที่แล้วเ<ส>วิรองวางเออยู่ไหนอยู่ฮะอยู่ในสมมุติอยู่ในธาตุขันก็ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ธาตุไมใช่ขันธาตุขันจะเก็บไข anyway ้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหนัามากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสัดประสานกันกันกบธรรมชาติที่เป็นวิมุต t นั้นนะเห็นได้อย่างชัดช เพราะฉะนั้นพระคินาศท่านท่านจะตายในท่าใดพิริยาบทใดก็ตามก็คือพระคินาศตายเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุขันจะแสดงอากาศพิยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโรค ท, ทั่วไปก็ตามอก็ดิกบพิกแพ้พิกแพงไปต่างๆก็ตามหรนี้ลักษณะมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนคลางบ้างก็ตาม เป็นเรื่องของขันที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแปงให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้ชิงต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัปกิาต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิดตูมตามตูมตาม ต, าตา่างเหมือน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 มันจะมีอาการอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสมมุติที่ทําหน้าที่ต่อกันอยู่เพียงเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตต์เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงจิตตวิมุตต์ต้องเป็นจิตวิมุตต์เป็นธรรมชาติวิมุตตหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติทังตนนั่นเออะไรจะบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีไม่มีอะไรจะไปมีวิสัยจะไปสามารถจะบังคับได้เลย เมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมาถ้าจะชื่อ ว, วิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินี้เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้มาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัย ถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เอกขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเถิดจะไม่ไปไหนจะต้องไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่นานไม่สําคัญสําคัญที่ความจริงแห่งการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นระดับลำดาจะต้องถึงความดุจพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัย ทำนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงมาแสดงแต่ความจรินร่วนๆความจำปลอมไม่มีเลยผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วข้วามปลอมจะมาจากไหนจะทําให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้อย่างไะทําไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากที่เดสตังหะสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอดกันเป็นเพียงว่าโลกไม่สามารถจะรู้กนุบายของมันที่สร้างความผิดหวังให้ทั้งนั้นเองยึง เป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยๆล่อยมาแล้วจะลุยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังจะต้องสมหวังเป็นลำดับตดาแงกนกระทั้งสมหวังเต็มที่จุกเกษมนิชชาโตไปนิบุโตดับสนิทคุณชื่อว่าสมมติทั้งมวลดับสนิทไม่มีอะไรเหลือนั่นะ ทมเหล่านี้สดสดร้อนๆอนอยู่กับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกทท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลานี้รู้อยู่นี้นี่แหละนี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้กินให้จังนักปฏิบัติคระพุทธขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเถอ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 แล้วหลักธรรมที่นํามาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นใครจะสามารถนํามาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธเจเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตวตะยังคล่องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ธรรมเหนือโลกนี่คิดเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นํามาสอนโลกได้เนี่ยแล้วเมื่เมอเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วเราก็ น่าจะมีแก่ใจบึกปืนเทาะล้างมือเปิบเอาเลยนี่เพราะว่าคํามตรัสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิบเกิดไม่ละทํากลางแห่งศาสนาธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นปูท่อถอยอ่อนแอได้อย่งไร ไม่สมภูมิกับความเป็นสัตว์อ่ากับความเป็นลูกสิทธาภพจึงเอาให้กินข้างจังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกข์กบเลี้ยงก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนธรรมานตดเด่นนี้หนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตนตามากําลังความสามารถของตอนจนได้ผนขอให้ทุกๆ ท, ท่านนะนําไปปฏิบัติการแสดงธรรมปรเหต์มาสมควรหยุดเปี่ยนแข็ง I uh. d